50 languages. หกสิที่ธนาคาร Bank me. ดิฉันต้องการเปิดบัญชี I w n t to o n n account. นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน และนี่ที่อยู่ของดิฉันและนี่เป็นบัตรประชาชนขดงฉันและนี่เป็ตองฉ่ราของเงฉัน่เรขัปตาฉันบัตชองีราของฉนเบัชของฉันฉันแล่เป็นบัฉัน่ปตะาองนตาฉันตรองนเรองนเนากบัญชของีของฉันแ่ฉันแป็นบัตาชน ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีม่แอคเอนต์ก้าโกรชวาระเ่จาดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางม่ทรเวลเลอร์เช็คแคครานาตาค่าเนียมเท่าไหร่คะอีสกี้อดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ मुझे कहां द स ् त ख ต करना ตा ह ि ए จดิฉันกาลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันแม่เจอร์มานีเซ่มันยอร์เดอा์การ์อ ह นตนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันยีเเงินเข้าหรือยังคะแอาช่ ดิฉันต้องการแลกเงิน मैं य ह पैसे พสเซ่ท क न ดิล์การ์นาดิฉันต้องการเงินดอลล่าสหรัฐ मुझे अ म อเि क न ड ॉ ल र की जरूरत है กรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะ म, म े ह ์บานีการ์เก้มุเจอ์ชอตเอที่นี่มีตู้เทเอมไหมคะ क्या य ह ांฮะพ์เปอร์เพสเซ่นิคัลเ สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะกี त เงินนี่ค่าเลี้ยงจ่ายสใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะก่อนจะเครดिตการ์ดอิสติมอลที่จะสักต้าใหุ้ณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด